ปัญหาของมนุษย์ที่มาในชื่อของทุกข์มากมายเท่าที่ได้บรรยายมาถ้าเข้าใจความหมายของทุกข์ในอริยสัจและแยกออกได้ชัดจากทุกข์ในไตรลักษณ์พร้อมทั้งมองเห็นความเกี่ยวโยงกันระหว่างทุกข์ในหมวดธรรมะสองชุดนี้แล้วก็ถือเป็นอันสมวัตถุประสงค์ระหว่างที่บรรยายนั้น ได้ยกทุกชื่อต่างๆหรือทุกในลักษณะอาการต่างๆมาให้ดูเป็นตัวอย่างและได้ขอให้เข้าใจว่าทุกต่างๆมากมายนั้นไม่พึงถือเป็นเรื่องเคร่งครัดนักแต่มองได้ว่าเป็นการที่ท่านยกขึ้นมากล่าวเพื่อนำความเข้าใจให้ง่ายและชัดเป็นเรื่องที่ต่างกันไปได้ตามทินฐานกาลสมัยพูดง่ายๆก็คือ แสดงตัวอย่างเรื่องราวที่เป็นปัญหาของมนุษย์ดังที่ท้ายสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปไว้ให้แล้วที่ว่าโดยย่ออุปาทานนักขันห้าคือทุกข์เมื่อได้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วจะแสดงชื่อทุกข์ที่ท่านจำแนกแจกแจงไว้ในที่ต่างๆให้เห็นตัวอย่างต่อไปทุกข์ที่ท่านจำแนกไว้ส่วนใหญ่เป็นทุกข์ในอริยสัจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคน เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นสิ่งควรคำนึงเพื่อปลดเปลื้องเสียด้วยการปฏิบัติส่วนทุกที่ครอบคลุมความทั้งหมดอย่างในไตรลักษณ์ท่านแสดงไว้แต่พอเป็นหลักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันตามความเป็นจริงในที่นี้จะยกมาแสดงเฉพาะชุดสำคัญๆหรือที่ท่านกล่าวถึงกันบ่อยๆดังนี้จุดที่หนึ่ง ทุกสิเป็นชุดไขความสำหรับแสดงความหมายของทุกข์ในอริยสัจสีมีดังนี้ 1. ชาติหรือชาติความเกิดเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกต่างๆอเนกประการท่านแบ่งซอยออกไปเป็นคัโพโภกกันติมูลกะทุกขทุกเกิดจากการเกิดอยู่ในคัน อยู่ในที่อันแสนขับแคบอึดอัดมืดตือแออัดด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจหลุดนอนในของเน่าหรือในน้ำครําคับพัปปะริหารณะมูลกะทุกทุกเกิดจากการบริหารคันมารดาจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวลูกนั่งเดินวิ่งแรงหรือเบากินดื่มของร้อนเย็นเปรี้ยวเผ็ดเป็นต้นมีผลกระทบต่อเด็กในคันทั้งสิน้น คับภาวิปัสติมูลกาทุกทุกเกิดจากการวิบัติของคันเช่นท้องนอกมุดลูกเด็กตายในคันต้องผ่าตัดออกเป็นต้นวิชาญาณมูลกาทุกทุกเกิดจากการคลอดทั้งถูกกระทุ้งกระแทกพลิกหันทั้งถูกกดถูกบีบถูกอัดกว่าจะผ่านช่องอันแสนแคบออกมาได้เจ็บปวดแสนสาหัส พระหินิกาขมณนมุลกะทุกขทุกเกิดจากการออกมาภายนอกเด็กแรกคลอดมีร่างกายและผิวละเอียดอ่อนดังแผลใหม่ถูกสัมผัสจับต้องเช็ดล้างสารเจ็บแสบอตุปรกรรมมุลกะทุกทุกเกิดจากทำตัวเองเจนฆ่าตัวตายบ้างประพฤติวัตบบาเพ็ญตบะทรมานตนบ้าง โกรธเคืองเขาแล้วไม่กินข้าวหรือทำร้ายตัวเองบ้างเป็นต้นปารุปปกมะมูลกะาทุกทุกเกิดจากคนอื่นทำให้เช่นถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำร้ายเป็นต้นทุกชุดที่หนึ่งในทุกสิบสองข้อที่สอง ชราความแก่ทำให้อวัยวะทั้งหลายย่อย่อนอ่อนแออินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นทำหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนกำลังวังชาเสื่อมถอยหมดความคล่องแคล่วว่องไวผิวพันธุ์ไม่งดงามผ่องใสหนังเหี่ยวย่นความจาเลอะเลือนเผลอไผลเสื่อมอำนาจและความเป็นเซรีทั้งภายนอกและภายในเกิดทุกกายและทุกใจได้มาก ทุกชุดที่หนึ่งข้อที่สามโมรณะความตายยามจะสิ้นชีพเคยทำชั่วไว้ก็เห็นนิมิตของบาปกรรมมีคนหรือของรักก็ต้องพลัดพรากจากไปส่วนประกอบในร่างกายก็พากันหยุดทำหน้าที่ทุกทางกายก็อาจมีมากจะทำอะไรจะแก้ไขอะไรก็ทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้ ทุกชุดที่หนึ่งข้อที่สโศกความเศร้าโศกได้แก่ความแห้งใจเช่นเมื่อสูญเสียญาติเป็นต้นทุกชุดที่หนึ่งข้อที่หปริเทวาความคร่ำรวญหรือร่ำไรได้แก่บนเพอไปต่างๆเช่นเมื่อสูญเสียญาติเป็นต้น ทุกชุดที่หนึ่งข้อที่หทุกความทุกข์กายได้แก่เจ็บปวดเช่นกายบาดเจ็บถูกบีบคั้นเป็นโรคเป็นต้นทุกจุดที่หนึ่งข้อที่เจโทมนัตความทุกข์ใจได้แก่เจ็บปวดรวดร้าวใจที่ทำให้ร้องไห้ตีอกชกหัวลงดินเชื่อตัวเอง กินยาพิษผูกคอตายเป็นต้นทุกชุดที่หนึ่งข้อที่8อุปายาตความขับแค้นหรือสิ้นหวังได้แก่เร่าร้อนทอดถอนใจในเมื่อความโศกเศร้าเพิ่มทวีเป็นต้นทุกชุดที่หนึ่งข้อที่9อภียะสัมปโยคะหรืออปียะสัมปโยค การประสบคนหรือสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รักเช่นต้องพบต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ชอบหรือชิงชังเป็นต้นทุกชุดที่หนึ่งข้อที่10ปิยวิปโยคะหรือปิยาวิปโยคการพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักเช่จนจากญาติจากคนรักสูญเสียทรัพย์สินทุกชุดที่หนึ่ง ข้อที่11อิจิตาลาภะการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาหรือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมหวังทุกข์ชุดที่หนึ่งข้อที่12อุปาทานขันขันทั้งห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานกล่าวคือทุกที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์ของอุปาทานขันทั้งห้าเมื่อว่าโดยสรุป หรือโดยรวบยอดก็คืออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์พึงสังเกตว่าในทุกชุดนี้ไม่มีพยาธิซึ่งตามปกติจะต่อจากชราที่เป็นเช่นนี้ท่านอธิบายว่าเพราะพยาธินั้นเป็นทุกข์ที่ไม่แน่นอนตายตัวคือหลายคนมีแต่บางคนก็อาจจะไม่มี และอีกประการหนึ่งพยาธินั้นจัดเข้าในข้อทุกข์กายนี้แล้วอย่างไรก็ดีในบาลีบางแห่งก็พบว่ามีพยาธิอยู่ในทุกชุดนี้ด้วยชุดที่สองทุกสองเป็นเพียงการสรุปทุกชนิดต่างๆในแนวหนึ่งได้แก่ 1. ปฏิชันนัทุกทุกปิดบังหรือทุกซ่อนเร้นไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัดๆเช่นปวดหูปวดฟันใจเร่าร้อนเพราะไฟราคะและไฟโทษสะเป็นต้น 2. อ, อัอภิชันนทุกทุกไม่ปิดบังหรือทุกเปิดเผยเช่นถูกน้ำตำัมถูกเคี่ยนถูกมีดฟันเป็นต้น ชุดที่สทุกสองเป็นเพียงการสรุปทุกชนิดต่างๆอีกแนวหนึ่งได้แก่ปริยายทุกขทุกโดยปริยายหรือทุกข์โดยอ้อมได้แก่ทุกทุกอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นนอกจากทุกขเวทนาและนิปริยายทุกขทุกโดยนิปริยายหรือทุกขโดยตรงได้แก่ความรู้สึกทุกข์ที่เรียกว่าทุกขทุก หรือทุกขเวทนานั่นเองในคำภีมหานิเทศและจุลานิเทศบางแห่งแสดงชื่อทุกไว้อีกเป็นอันมากมีทั้งที่ซ้ำกับที่แสดงเวลาข้างตน้นและที่แปลกออกไปขอยกมาจัดเป็นกลุ่มกลุ่มให้ดูง่ายดังนี้กลุ่มที่หนึ่งชาติทุกขชราทุกพยาธิทุกขมรณะทุก โศกกะปริเทวะทุกขะโทมนาสะอุปายาสะทุกกลุ่มที่สองเนรยิกรทุกดิรชานโยนิกะทุกขปิติวิสัยกรทุกมนุสกทุกขคือทุกของสัตว์นรกทุกขของสัตว์ดิรชานทุกขของสัตว์ในแดนเปรตทุกของมนุษย์ ที่สคัพโภกันติมูลกถาทุกท mm ุกเกิดจากการลงเกิดในคันขัพเพทิติมูลกถาทุกข์ทุกเกิดจากการอยู่ในคันคัพภวุฒานมูลกถาทุกขทุกเกิดจากการออกจากคันชาตัสูปานิพันธิกาทุกขทุกติดพันตัวของผู้ที่เกิดแล้วชาตัสสาปราเทยิกาทุกขทุกเนื่องจากต้องขึ้นต่อผู้อื่นของผู้ที่เกิดแล้ว อตูปักรมะทุกทุกขที่เกิดทำแก่ตัวเองปา ร, รูปักรมะทุกขทุกจากคนอื่นทําให้กลุ่มที่สี่ทุกขทกุสังขาระทุกข์วิปริณามทุกข์กลุ่มที่ห้าโรคต่างๆเช่นโรคตาโรคหูเป็นต้น รวม35ชื่อกลุ่มที่6อาพาธคือความเจ็บไข้ที่เกิดจากสมุดฐานแดอย่างคือดีสเสรลฐลมสมุดฐานต่างๆประชุมกันอุตุปแปรบรวนบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอถูกเข้าทำเจนค่าและจองจำเป็นต้นและผลกรรม กลุ่มที่เจหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะทุกจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่8ทุกพระความตายของมารดาความตายของบิดาความตายของพี่น้องชายความตายของพี่น้องหญิงความตายของบุตรความตายของธิดา กลุ่มที่เกทุกเพราะความสูญเสียญาติความสูญเสียโพคะความสูญเสียด้วยโรคความสูญเสียศีลความสูญเสียทิฏฐิในมหาทุกขคันทสสุรและจุละทุกขคันทสสุรพระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกขคขันคือกองทุกต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นปัญหาแก่มนุษย์สืบเนื่องมาจากกรรมโดยสรุปทุกขคขันหรือกองทุกเหล่านั้นได้แก่ข้อที่1ความลำบากตราตราเดือดร้อนตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิตเนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพข้อที่2ความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแล้วโภคะไม่สาเร็จผล ข้อที่สแม้เมื่อโภคะสำเร็จผลแล้วก็เกิดความทุกยากลำบากใจในการที่ต้องคอยอารักษาภพกรัพั์ข้อที่สความเศร้าโศกเสียใจเมือ่อสูญเสียภพอกระซั์นั้นไปอารักษาไว้ไม่สาเร็จเจนถูกโจรปล้นไฟไหม้ข้อที่ห้า การทะเลาะวิวาทแก่งแย่งทำร้ายกันถึงตายบ้างถึงทุกปังตายบ้างระหว่างราชากับราชาบ้างกฤห บ, บดีกับคฤห บ, บดีบ้างแม้กระทั่งระหว่างมาดาบิดากับบุตรพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนข้อที่หกการทำสงครามประหัดประหารกันระหว่างหมู่ชนสองฝ่ายในสมรภูมิซึ่งต่างพากันล้มตาย และได้รับความทุกข์แสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจากการต่อสู้กันนั้นข้อที่7การทำสงครามที่ฝ่ายหนึ่งรุกรานโจมตีบ้านเมืองของอีกฝ่ายหนึ่งและจากการต่อสู้กันก็ต้องบาดเจ็บล้มตายได้รับทุกข์เป็นอันมากข้อที่8การทำทุจริตก่ออาชญากรรมต่าง เช่นปล้นทรัพย์ทำความผิดทางเพศเป็นต้นและถูกจับกลุ่มลงโทษต่างๆถึงตายบ้างไม่ถึงตายบ้างข้อที่9การประกอบกรรมทุจริตทางกายวาจาใจครั้นตายแล้วก็ไปได้รับทุกข์ในอบายทุกคติวินิบาตนรก ในพระบาลีและอัถกถายังกล่าวถึงทุกชื่ออื่นๆกระจายกันอยู่แห่งละเล็กละน้อยอีกหลายแห่งบางแห่งมีเพียงคําบรรยายอาการของความทุกข์เหมือนอย่างในมหาทุกขคันธสูตรและจุลาทุกขคันธสูตรที่กล่าวมานั้นโดยไม่เรียกชื่อทุกข์ไว้โดยเฉพาะบางแห่งก็ระบุชื่อทุกข์เฉพาะอย่างลงไปเช่นสังสารทุกข์อบายทุกข์วัตมูลกะทุกข์อาหารปริเยตทิทุกข์เป็นต้น ในคำว่าสังสารทุกนั้นในจุลนิเทศพระไตปิฎกเล่มที่30ฉบับอักษรไทยมีสังสารทุกขังแต่ความจริงเป็นปาฐะที่คาดเคลื่อนที่ถูกต้องเป็นสังขารทุกขังในหนังสือธรรมวิจารณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานนวรโรดท่งประมวลทุกชื่อต่างๆจากหลายแหล่มารวมไว้สิบอย่าง บางอย่างทรงตั้งชื่อเรียกใหม่ให้เป็นพวกๆกันมีดังนี้ 1. สภาวะทุกข์หรือทุกขประจําสังขารคือชาติชราโมรณะ 2. ปะกินณกะทุกข์หรือทุกจรคือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะหรืออุปายาตรวมทั้ง อิยะสัมปโยคะปิยะวิปโยคะและอิจิตาลาภะนิพพัทธทุกข์คือทุกเนื่องนิดหรือทุกเจ้าเรือนได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปสวัสสาวะสพยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนา 5. สันตาปทุกทุก์กคือความเร้ารุมหรือทุกร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะไฟกิเลส 6. วิปากทุกหรือผลกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความเดือดร้อนความร้อนใจการถูกลงอาชญาการตกอบาย สหัคตาทุกทุกไปด้วยกันหรือทุก์กำกับกันคือทุกที่พ่วงมากับโลกธรรมที่เป็นอิทธารมเช่นได้ลาบแล้วทุกเพราะระวังรักษา 8. อาหารับป ร, ริยตทิทุกคือทุกในการหากินได้แก่อาชีวะทุกคือทุกเนื่องด้วยการหาเลี้ยงชีวิต เก้าวิวาทะมูลกะทุกขคือทุกขที่มีวิวาทเป็นมูลเช่นกลัวแพ้หวาดหวั่นในการรบกันสู้คดีกันและสิทุกขขันคือทุกรวบยอดคือโดยย่ออุปท า, านนคขันห้าเป็นทุกขอย่างไรก็ดีเรื่องทุกนี้ เราสามารถพน า, นาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปได้อีกเป็นอันมากเพราะปัญหาของมนุษย์มีมากมายทั้งทุกที่เป็นสามัญแก่ชีวิตโดยทั่วไปและทุกที่แปลกการออกไปตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัยถิ่นฐานและสถานการณ์แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องบรรยายในที่นี้ให้เยืนเย้อเนิ่นนานข้อสำคัญอยู่ที่จะต้องรู้ความมุ่งหมาย การที่ท่านแสดงชื่อทุกต่างๆไว้มากมายนั้นก็เพื่อให้เรารู้จักมันตามสภาพคือตามที่เป็นจริงคือเป็นปริญญากิจเพื่อปฏิบัติต่อทุกข์นั้นๆอย่างถูกต้องด้วยการยอมรับรู้สู้หน้าสิ่งที่มีอยู่ซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เลี่ยงหนีอำพรางปิดตาหลอกตัวเองหรือแม้กระทั่งปลอบใจตนประดุดว่าทุกเหล่านั้นไม่มีอยู่หรือตนเองหลีกหลบไปได้แล้ว และกลายเป็นสร้างปมปัญหาเสริมทุกข์ให้หนักหนาซับซ้อนแล้วรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เข้าเผชิญหน้าทำความรู้จักและเอาชนะอยู่เหนือมันทำตนให้ปลอดพ้นได้จากทุกขเหล่านั้นปฏิบัติต่อทุกขโดยทางที่จะทำให้ทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อย่างชั่วคราวจนถึงโดยทาวร